พิสษุทั้งหลายเธอพึงพิจารณาไกรกรุ่นโดยประการที่เมื่อพิจารณาไกรกรุ่นอยู่แล้ววิญญาณคือฉิตของเธอนั้นอันไม่ฟุ้งไปไม่ส่านไปในภายนอกด้วยอันไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในด้วยก็จะไม่พึงสะดุง้งเพราะเหตุไม่มีความยึดมั่นถือมั่น ก็เมื่อวิญญาณอันไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในอยู่เป็นจิตที่ไม่สะดุง้งเพราะเหตุไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วการก่อตั้งขึ้นแห่งกองทุกข์กล่าวคือความเกิดความแก่และความตายย่อมไม่มีอีกต่อไป นี่คือพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอุทเทศวิพังคสูตรซึ่งเรื่องนี้ตอนเต็มๆข้าพเจ้าได้นำมาให้ทุกฟังฟังแล้วในสัปดาห์นี้ในช่วงกองการฟังธรรมคาพุทธในแต่ละสัปดาห์ทุกฟังเป็นเรื่องสำคัญเลยจริงๆละ่ะที่เราจะต้องมาฟังธรรมะที่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า โดยบทโดยเพียญชนะกลับมาที่แม่บทคำสอนว่าเอท่านตรัสไวอ้อย่างนี้อย่างนี้เป็นคำสอนที่มีข้อความลึกมีความหมายซึ่งแยกได้เป็นหลายไตยยมีอัตมามากมายซึ่งคือบางทีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สั้นๆเนี่ยบางทีท่านก็เอาคําของท่านเองมาอธิบายว่าแต่ละจุดแต่ละจุดนี้นหะมายถึงอย่างอย่างนี้อย่างนี้หรือบางทีก็มีคนอื่นๆช่วยในการอธิบาย พระสูตรนี้ก็เหมือนกันที่ชื่อว่าอุเทศะวิพังคสูตรอันนี้มาในกัมปีที่เรียกว่ามัชฌิมานิกายเล่มที่15ข้อที่638เป็นพระสูตรที่138ในมัชฌิมานิกายแต่คำว่ามัชฌิมานิกายนี่คือเป็นหมวดหมู่ที่เป็นเรื่องยาวขนาดกลางๆงในพระไตรปิฎกเนี่ยธรูมบัง ส่วนที่เป็นพระสูตรเขาก็เจอแยกเอาไว้ถ้าเรื่องยาวมากๆก็จะจัดไว้ในหมวดยาวเรียกว่าทีฆานิกายนิการนี้คือหมายถึงเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มกองขึ้นมาแต่กองที่ยาวๆก็มาไว้ในทีฆานิกายหมวดไหนที่เป็นเรื่องไม่สั้นไม่ยาวเกินไปแต่เป็นกลางๆอันนี้ก็เป็นมัชฌิมานิกายเรื่องที่เอามาอ่านให้ทัพโมฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็อามาจากตรงนี้แหละมัชฌิมนิไก ส่วนเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่เป็นร้อยเรียงกันเีจะเป็นเรื่องชุดๆเดียวกันเช่นถ้าเรื่องเกี่ยวกับเทวดาจะสั้นบ้างยาบ้างก็จะไปรวมไว้หมวดหนึ่งร้อยเรียงกันไว้เรื่องที่เป็นเกี่ยวกับขันห้าเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเบญสัตสเกี่ยวกับอเยตนา6ก็จะแยกไปแยกไปอันนี้ก็เรียกว่าสั่งยุ ต, กยตกิการนิ่งแต่การร้อยเรียงกันเหมือนพวงมลาลัยร้อยเป็นดอกไม้ไปหรือว่าเรื่องราวที่แยกเป็นข้อเป็นข้อ เนรยาสัตว์สีอิทิบาทสสมรประธานสีหนึ่ง น, นี้ก็จะจัดอยู่ในหมวดสถ้าเป็นเรียงตามตัวเลขก็จะเป็นอังคุตรานิกายแลต่พระเจ้านําเรื่องราวที่มาอยู่ในมัชชิมาทิกายแต่จริงๆใช้เรื่องของมัชชิมาทิกายเป็นหลักเลยใช้มาหลายปีแล้วด้วยธรรมบวชแต่คิดว่าจะจัดการเอาให้มันหมดแต่ธรรมฟังติดตามฟังรายการธรรมานีอยู่เรื่อยๆธรรมฟังจะได้ฟังพระสูตร ที่มาจากในมัชฌิมานิกายนี้หมดแน่นอนตอนนี้ใกล้หมดล้วแต่จากทั้งหมด150ยประสูนย์เนี่ยเราเหลือไม่ถึง50าประสูนยละที่เราจะมาติดตามฟังกันเรื่องในสัปดาห์นี้ที่มานําให้ทัมโมฟังฟังนั้นมีพุทธพจน์แม่บทที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ให้กับภิกษุทั้งหลายใน ต, ตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันที่ในเมืองนครสาวัตถีก็แสดงทำบทนี้ขึ้นมา ที่อ่านในท่านบูฟังฟังเมื่อสักครูน่นี้แต่ว่าไม่ได้แยกไว้ในรายละเอียดเอที่ว่าไม่ฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกนี่มันเขาว่าอย่างไงที่ไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในนี่อย่างไงเราจะไม่สะดุ้งเนี่ยเป็นยังไงอย่างไงเนี่ยไม่ได้อธิบายเอาไว้โดยในรายละเอียดและพิกูจน์ใที่นั้นก็ไม่ได้ขอโอกาสในการที่จะถามคำถามพร ะ, ระพุทธเจ้าท่านก็เลยหลีกไปหลีกไปในที่นี้ก็คือไปหลีกเล่นตามอัตยาสัยของท่าน นะพ่พี่สุดทั้งหลายไม่ได้โวยโอกาสนั่นในการที่จะสอบถามคําถามก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เ ล, กลิกลักกันละเอาแล้วหนุคนี้หมายความว่าไงเนี่ยก็เลยปรึกษากันมาเอาแล้วจะทำไงจะได้เข้าใจเนื้อความตรงนี้ก็เลยนึกถึงท่านพระมหากัจจานะในะการระลึกนึกถึงตรงนี้ธรมุงังก็เป็นลักษณะของสังการด้วยสติด้วยนะคือการที่เราเระลึกถึงบุคคลในบุคคลหนึ่งที่เขาปฏิบัติปฏิปัตชอบอย่างเงี้ย อยกรณีของหมู่พิกษจนี้เขาก็ระลึกถึงท่านพระมหากจานะเพราะว่าท่านพระมหากจานะนี่พระพุทธเจ้าแล้วก็บุคคลอื่นๆนเขายกย่องกันด้วยว่าเป็นผู้ที่สามารถจะจำแนกแจกความต่างๆเหล่านี้ได้เราระลึกถึงตรงนี้ก็เป็นสังการนุสติแต่ว่าจริงๆหยุ่นต่อนหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธานุสติอยู่แล้วมันก็น่าจะได้ถูกไหมท่านผู้ฟังตรง น, นี้พอไปตามท่านพระมหากจจานะ ก็เป็นลีลาของท่านท่านฟังเวลาที่ท่านพระมหากจานะจะอธิบายความอะไรก็ตามที่เขายกมาถามที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยท่านก็จะกล่าวก่อนแล้วว่าเอา้าทำไมไม่ไปถามพระพุทธเจ้าเองอยู่ต่อหน้าเนี่ยเหมือนกับคนที่เห็นแก่นไม้แล้วก็อยู่ต่อหน้าแล้วไม่รู้จักชกช่วยเอาประโยชน์จากแก่นไม้นั้นมาหาเอาที่กิ่งมาหาเอาที่ใบคิดว่ากิ่งและใบมันจะมีแก่นแต่แางนี้ไม่ถูก พระภิกษุทัางหลายในที่นั้นก็อ้อนวอนและท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านพระมหากัะจานะนี้เป็นคนที่มีปัญญามากอย่าให้ท่านพระมหากัจจานะได้จะต้องมีความลําบากใจเลยขอร้องให้ช่วยอธิบายความให้หน่อยแั่นก็อ้อนวอนกันก็อร้องกันชื่อของท่านพระมหากัจจานะตรงนี้นิดหนึ่งท่านผู้ฟังมีบางท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่ากัะจายนะนะมีตัวยอยักษ์แล้วก็ นอหนูสลาด้วยนะอันนี้ก็คือท่านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเขียนเป็นคนละอย่างในพระสูตรดั้งเดิมตรงนี้ไม่ได้มีตัวยอ่อยักษ์ใช้คําว่ากัจจานะไม่ใช่กัจจายะนะเพราะฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าอ่านว่ากัจจานะอันนี้คือมาในตามพระสูตรเดิมเบอรเพียรญชนะเดิมเขาใช้คําอย่างนี้ก็คือพระมากัจจานะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นคนท่านกันหรือไม่ก็คือท่านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่า แบ่งที่บางพระสูตรเขาจะใช้บทพิัญญช น, นที่แตกต่างกันไปนิดหนึ่งเรามาเข้าสู่เนื้อหาที่สําคัญสําคัญอันนี้คือลักษณะของการที่จะอธิบายแม่บทันะว่าแม่บทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีความหมายอย่างไรมีกี่ในยะมีความหมายลึกซึ้งในขนาดไหนแต่ตรงนี้จึงเป็นลักษณะที่หมู่พิกษุจนี์เขาไปถามผู้ที่มีความรู้แต่พิกษุน์พวกนี้ยังไม่รู้ ก็ไปถามท่านพระมหากัจจานะที่ท่านมีความรู้ลักษณะการเข้าไปหาภิกษุแล้วก็สอบถามธรรมะเนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดปัญญาขึ้นพระพุทธเจ้าเคยบอกถึงว่าตัวพระองค์เองเนี่ยก็เป็นผู้ที่เข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้ที่รู้สอบถามปัญหาอะไรต่างๆตัวนี้จึงเป็นเหตุให้พระองค์ เ, เป็นผู้ที่มีปัญญาอันนี้คือตรัสถึงตอนที่เป็นโพธิสัตว์ในชาติก่อรพบกนมาเป็นบา ร, รมีมาก็ลักษณะนี้ภิกษุทั้งหลายนั้นเขาก็ไปสอบถามเนื้อหาธรรมะ กับผู้รู้ได้ขยายความออกมาเนี่ยก็เป็นลักษณะการกระทำที่ถูกต้องในที่นี้ลีลาในการก่อนที่จะตอบปัญหาของท่านพระมาหาการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะว่าให้ไปตามพระพุทธเจ้านะท่านว่ายังไงก็ทรงจำไว้อย่างนั้นแต่ถ้าเขาอ้อนวอนมาอ้าวก็จะอธิบายให้ว่าอธิบายให้แล้วก็จะจบท้ายว่าให้ไปตามพระพุทธเจ้าซ้าอีกทีหนึ่งนะแต่ท่านว่าอย่างไงก็เอาตามนั้นอันนี้จะเป็นลีลาของท่านไม่ว่าจะเจอในพระสูตรไหนก็จะเป็นลักษณะนี้ สัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้นําเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญที่ท่านพระมหากัจานะได้อธิบายขยายความไว้มีนัยยะที่แตกต่างจากของพระพุทธเจ้าอยู่ท่านก็พูดในลักษณะนี้สัปดาห์นี้นําเรื่องราวที่ท่านพระมหากัจานะอธิบายเรื่องของความที่ไม่ฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ท่านมีลีลาแบบนี้มีเป็นการเยื้องกลายเป็นอัตยาศัยของท่านว่ากันไป ในในเนื้อความประสูตรที่สําคัญในเรื่องนี้ตัวแม่บทก็คือคําว่าไม่ฟุ้งไปไม่สั้นไปในภายนอกคํำว่าใครโครวนในตมวฝังคือการพิจรนารณาหนึ่งการพิจารณาใครโครวนในลักษณะไหนที่จะไม่ทําให้จิตฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกอะไรคือสิ่งที่เป็นภายนอกในที่นี้แน่นอนสิ่งที่เป็นภายนอกก็อายตนะภายนอกที่มันจะต้องไหลเข้ามาทางอายตนะภายใน สิ่งที่มาทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจตัวนี้นะอะไรที่มาทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏบานและธรรมารมที น, นี้ถือว่าเป็นภายนอกพุ่งเข้ามาสู่ในจิตของเราสิ่งที่เป็นภายนอกชัดเจนเช่นว่าเสียงใช่ไหมเราได้ยินเสียงจากภายนอกเป็นเสียงดนตรีก็ตามเสียงคนพูดก็ตามมาจากแหล่งอื่นเสียงนี้ไม่ได้เกิดในหัวของเราหรือว่ากลิ่นก็ตามรสก็ตามสัมผัสก็ตามรูปก็ตาม อันนี้มาจากภายนอกแน่นอนทีนี้ที่จะต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนอีกอย่างก็คือคําว่าธรรมารมธรรมารมเช่นความคิดความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างความคิดนึกในเรื่องอดีตปัจจุบันเรื่องคนนั้นคนนี้เนี่ยจริ ง, รงๆไม่ใช่เป็นเรื่องภายในแต่เป็นเรื่องภายนอกเอ๊ะมันนอกอยังไงเพราะว่าจิตของเราเนี่ยตราบังมันจะอยู่ในใจแต ใ, ใจคําว่าใจนี่คือมโนมโนนี่แปลว่าใจ นื้อโมโนนี่เป็นเหมือนกับช่องทางและถ้าจะเปรียบเทียบกับหูหูนี่เป็นช่องทางนะช่องทางที่มาได้เฉพาะเสียงถ้าเอาหูไปจุ่มอาหารรถจะมันมาทางหูไม่ได้แต่เพราะฉะนั้นช่องทางที่จะให้รถมาได้เนีรถเข็มรถเปรี้ยวมันไม่ใช่ทางหูมันต้องทางลิ้นแต่ถ้าเอาลิ้นไปจ่ออยู่หน้าลำโพงลิ้นมันจะได้ยินเสียงมันก็ไม่ได้ช่องทางที่จะให้เสียงไปเนี่ย มันต้องเป็นหูเท่านั้นเช่นเดียวกันช่องทางที่จะให้เจ้าทํามารมความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมาได้ต้องมาทางใจเท่านั้นแต่บัดนั้นใจเนี่ยเป็นช่องทางแตเช่นเดียวกันกับตาหูจมูกลิ้นและกายหูก็เป็นช่องทางให้เสียงรถจะมาไม่ได้ลิ้นก็เป็นช่องทางให้รถเสียงจะมาไม่ได้เป็นต้นแต่ช่องทางใครก็ต้องช่องทางมันตาจะมารู้อารมณ์เนี่ยมันไม่ได้นีมองเห็นคนร้องไห้ ตานี่มันจะไม่รู้หรอกว่าเขาร้องให้ดีใจหรือเสียใจสิ่งที่จะรู้ได้ก็ต้องทํามารมณ์แต่ที่จะมารับรู้ความสุขความทุกข์ความดีใจเสียใจอารมณ์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องมาทางใจทีนี้ตรงนี้แหละจึงเป็นพุทธพจนิพพ์นีนท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเคยบอกกับอุณาพระพราหมณที่อธิบายถึงความที่อินทรีย์คือตาหูจมูกเลี้ยและ ก, กาย5อย่างเนี่ยมีใจเป็นที่เล่นไปสู่ฟังดีนะอันนี้เป็นพุทธพจน์นะอุณาพระพราม์ถามว่า อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่สวยอารมณ์หรือวิสัยของกันและกัน น, น, นี่คืออุณาพระรามเขาว่ายาี้นะซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องพระพุทธเจ้าก็ยอมรับนะว่าเสียงมันจะมาทางลิ้นไม่ได้อย่างที่ว่าหรือว่ารสมันจะไปทางตามัมนไม่ได้มันจะไม่สวยอารมณ์หรือวิสัยของกันและกันเป็นคนละช่องทางกันไปแต่ว่าไอ้หอย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่มีอะไรเป็นที่ไป มีอะไรเป็นที่จะมุ่งไปพุ่งไปพระพุทธเจ้าตอบว่ามีใจนี่แหละเป็นที่จะพุ่งไปแล่นไปใจนี่คืออะไรใจนี่คือช่องทางอันที่หกที่พระพุทเจ้าพูดไว้เมื่อสักครูน่นี้ที่ท่านพระมหากรารณ์อธิบายไว้ตรงนี้ซึ่งก็เอามาจากพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นวาตาหูจมูกลิน้นกายและใจตรงนี้นใจนี่คือคําว่ามนโนนะมีมนโนเป็นที่แล่นไปสู่เนี่ยที่ได้บอกไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งกับท่านอุณาพระรามว่าตา เช่นเราเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณนีโอ้สวยแฮะความสวยนี่คืออะไรความสวยเนี่ยคือสัญญาความหมายรู้นะหรือเวทนาความรู้สึกใช่ไหมว่ามันเป็นสุขเออมันดีนะไอความรู้สึกพวกนี้มันเป็นธรรมอารมณ์ไงธรรมฝังที่ทำให้เรารับรู้ได้ว่าอ๋อเกิดอารมณ์นี้ขึ้นโอ้ดีฮะหรือว่าไม่ดีฮะสวยฮะชอบฮะพวกนี้เป็นธรรมอารมณ์ทั้งสิน้นเพราะนั้นเราเห็นรูปปั้วนี่มันวิ่งไปที่ใจละเป็นมโนละ ทำไมไมันไปทางนั้นได้มันก็ไปสร้างเป็นน้ า, ารมณ์เอามันกระบวนการมานเป็น ไ, ไงเหมือนเกิดภาษาทุกฝั่งในเวลามีตาเห็นรูปเป็นภาษาเกิดขึ้นใช่ไหมภาษ า, าทางตามีภาษาทางตาจิตประรับรู้แล้วนะจิตที่ไปรับรู้นี่เขเรียกว่าเป็นจักษุวิญญาณใช่ไหมสามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าภาษานะคือวิญ ญ, ญาณตาและรูปรวมกันเรียกว่าภาษะมีภาษาแล้วก็เกิดเป็นเวทนาะสัญญาและสังขาร เวทนาสัญญาและสังการสังการนี่หมายถึงการปรุงแต่งนะสร้างเป็นกรคำชอบไม่ชอบไปคำบวกคำลบก็ว่าไปนะสัญญาเวทนาเกิดขึ้นว่าโอ้นี่คือคนสวยนะคนหล่อนะดีนะเวทนาว่าเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นละไอ้ที่ว่าความหมายรู้ว่าอันนี้สวยอันนี้หลอ่อนะนี้รูปเป็นอย่างนี้อย่างนี้และเวทนาที่ว่าเป็นสุเป็นทุกพวกนี้คือธรม ร, มธรมารมตัางสิ่นธรรมารมณก็เป็นอายตนะภายนอกที่เกิดขึ้นใน มนโนนั่นเองแตมนโนจึงเป็นช่องทางที่6ที่ให้เจ้าธรรมารมันเกิดขึ้นได้ธรรมารมมันเกิดขึ้นตรงนี้จึงเป็นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นและกาย5้าอย่างนี้ที่ไม่เสเวยวิสัยและอารมณ์ของกันและกันเนี่ยมีใจเป็นที่แล่นไปสู่มันแล่นไปสู่ตรงอิจฉนะภายนอกที่เป็นธรรมารมณ์ซึ่งจะเข้าสู่จิตรับรู้อีกทีในทางช่องทางที่เรียกว่ามันโน สิ่งเหล่านี้จึงมีมโ น, โนเป็นที่แหลมไปสู่มโนนี่ก็คือเป็นช่องทางเป็นอายตนะภายในเหมือนกันแต่ธรร ม, มารมเป็นอายตนะภายนอกดังนั้นมันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยท่านผู้ฟังเราได้ยินเสียงพวกขึ้นมาใช่ไหมเสียงเป็นอายตนะภายนอกหูเป็นอายตนะภายในจิตเข้าไปทําหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้ผ่านทางโสวตาวิญญาณเกิดเป็นผันสสะ ข, ขึ้นในขณะที่เกิดผัสสะ ข, ขึ้นวิญญาณเข้าไปรับรู้ ผ่านทางอเยตนาภายในคือหูมันก็สร้างอเยตนาภายนอกคือธรรมารมขึ้นมาด้วยมีธรรมารมเกิดขึ้นอเยตนาภายในคือมโนจิตเรียกว่ามโนวิญญาณเข้าไปรับรู้มันก็มีการรับรู้เกิดขึ้นมาด้วยไปพร้อมกันอย่างนี้แในมีการรับรู้ไปใน2ช่องทางสมช่องทางทําแม้บางทีเราดูภาพยน ต, นยตร์ในตะบูฝังเราก็ตาเราก็เห็นรูปด้วยใช่ไหมเขาเล่นอะไรกันในหนังในละครในภาพยนตร์หูเราก็ได้ยินเสียงด้วย นะความคิดนึกไปในใจเราคิดตามไปด้วยโอ้นางเอกจะเป็นอย่างงี้นางเอกจะเป็นอย่าง น, น, า น, างนี้เรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างนี้แต่มันสนุกหรือไม่สนุกอย่างไรธรรมารมก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันไปแต่มันกระบวนการนี้เราเห็นได้ชัดเจนอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเราคุณจะไปเดินหน้าซื้อสินค้าคุณจะไปกินอาหารนะอาหารถูกลิ้นเข้ามาพัวเนี่ยก็จะรู้สึกอืมอาหารนี้อร่อยไหมอร่อยนี่ก็เป็นธรรมารมเกิดขึ้นล้เป็นยายต้านภายนอกแล้วเราคิดว่าเราจะชอบไม่ชอบจะมากลับมากินอีกไหม หรว่าจะโทรชวนใครมากินต่อปรุงแต่งต่อไปละเป็นกรรมทางกายเป็นกรรมทางวาจาเป็นกรรมทางใจไปเรื่อยไปประเด็นคือตรงนี้ตัมบูฟังว่าถ้ามีการฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกตามอายตนาต่างๆก็คือมีความไปลุ่มหลงพอใจเพลิดเพลินในรสอร่อยคือความดีความงามของสิ่งที่มากระทบนั้นตรงนี้ละ่ะท่านพระมหากัจจานะอธิบายว่า นี่แหละจะเป็นจุดที่เรียกว่าคุณฟุ้งไปสั้นไปแล้วผูกพันแล้วรุ่มลงแล้วในรสอร่อยของสิ่งที่มากระทบนั้นอันนี้เรียกว่าฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกไม่ว่าสิ่งที่เป็นภายนอกนั้นจะเป็นรูปที่ผ่านมาทางตาหรือว่าเสียงที่ผ่านมาทางหูหรือว่าธรรมารม์ที่เกิดจากการกระทบทางตาทางหูหรือว่าความคิดในใจของเราเองก็ตามผ่านมาช่องทางคือมโนจิตเข้าไปรับรู้ตรงนี้ จะเป็นช่องทางที่ให้มีการฟุ้งไปสร่านไปในภายนอกได้ก็ต้องอย่าให้มันไปลุ่มหลงผูกพันในความดีความงามรสอร่อยของมันตรงนั้นอย่าให้ไปผูกพันตรงนั้นจะทำยังไงถึงจะไม่ให้ไปผูกพันตรงนั้นจิตตรงนี้แหละจึงจะต้องมีการใค ร, ร์โครวนพิจารณาไงการใค ร, ร์โครวนพิจารณาตรงนี้ตั้มบัววังเรียกว่าเป็นการที่เราสร้างสารร ปรุงแต่งพัฒนาสิ่งที่มันไปไม่ถูกทางให้มันไปถูกทางคือจะเราสร้างสรร์พัฒนาปรุงแต่งไปในทางที่จะทําให้เกิดความรุ่มหลงไปในสิ่งที่มากระทบอันนั้นจะทําให้เกิดการฟุ้งไปสซ่านไปในภายนอกเราก็พัฒนาปรุงแต่งสร้างสรรค์มาในทางที่จะไม่ให้ฟุ้งไปไม่ให้สซ่านไปในภายนอกตัวนี้คือเราต้องตั้งสติขึ้นเราตั้งสติขึ้นด้วยการนึกถึงลมหายใจก็ตามโดยการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตามโดยการนึกถึงความดีความงามของเราอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่ปัญนหนาปัญาสติเป็นพุทธา น, นุสติเป็นศีลานุสติะตั้งสติขึ้นพูดง่ายคือเดินมาตามทางมัดแปดแต่เขาด่าเร า, าเป็นเสียงมากระทบเราใช่ไหมเราจะพิจารณาใคร่ครวญยังไงไม่ให้มันไปตามทางนั้นนัคือถ้าเราไม่พอใจพัวเนีู่อันนี้แสดงว่าคุณมีความผูกพันแล้วนะมีความผูกพันในเสียงที่เป็นกระทบนั้นนี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเขาชมเรานะถ้าเขาชมเราแล้ ว, ลวเราแหมเคลอบเคลิ้มรุ่มหลงไปตามันนี้คือผูกพันแน่นอนเขาด่าเราเนี่ยแล้วเราไม่พอใจเนี่ย ก็ชื่อว่าเราก็ผูกพันในคําดานั้นแหละหนมีการถูกกระทบไปเกอดฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกเหมือนกันแต่เราปรุงแต่งในลักษณะที่ว่าเ อ, อเสียงมากระทบใช่ไหมฉันก็ยังมีจิตเมตตานะมันก็สักแค่ว่าเป็นเสียงเขาอาจจะไม่รู้ความจริงเราก็มองโลกแงด่ดีหรือคิดไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลในจิตใจมีเมตตาเออนี่คือพิจารณาใครกลัวแล้วนะโดยที่จะไม่ให้มีความผูกพันในเสียงที่มากระทบนั้น ่จะทําให้จิตเราไม่ฟุ้งไปไม่สั้นไปในภายนอกคนที่เขาจะพิจารณาไคร่กลัวอย่างนี้ได้เนี่ยเขาต้องมีสติแน่นอนพนะระพุทธเจ้าตรัสไว้หนึ่งประสูนึ่งที่เรียกว่ามหาจัตตารีสกัสูเนี่ยพอคนที่จะมาคิดพิจารณาไครครวมาในทางที่เป็นสัมมาสังกปะได้เนี่ยคือเราไม่ได้คิดเป็นในทางพยาบาทหรือไม่ได้คิดเป็นในทางลุ่มหลงเป็นกามใช่ไหมแต่เราคิดมาในทางที่จะไม่พยาบาทคิดมาในทางที่จะหลีกออกจากกามการที่คุณมาคิดมาทางนี้ คุต้องมีสัมมาสติแน่นอนการที่คุณรู้ว่าไ อ, อ้นนั้นมันไม่ดีนะการคิดไปนในทางการทางพยาบาทไม่ดีการคิดมาในทางรียออกจากาการการคิดมาในทางไม่พยาบาทมันดีเออความรู้ตรงเนี้ยก็เลยเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องแล้วพยายามทํามาการพยายามที่เราทําตรงนี้อันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะนะเออไม่ว่าจะเป็นการคิดการพูดหรือการกระทําเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอุเทศที่พูดถึงว่าการไคร่งครวนพิจารณาเนี่ย ยังรวมถึงการพูดด้วยยังรวมถึงการกระทํารมทางกายด้วยที่จะไม่ให้ฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกแต่ตรงนี้คือในประเด็นที่หนึ่งไม่ให้มันฟุ้งไปไม่ให้มันซ่านไปในภายนอกในขณะเดียวกันที่ไม่ให้มันฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกแล้วก็ต้องอย่าให้ตั้งสยบอยู่ในภายในยด้วยเอาเลยที่ตั้งสยบอยู่ในภายในยเป็นอย่างไรท่านพรามมหากัจจานาค์อธิบายขยายความโดยยกเอาเรื่องของฌานสมาธิขึ้นมาทำมวัง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากเลยว่าถ้าเราทําฌานสมาธิให้เ ก, ดดนนกดิดขึ้นได้แล้วแต่บางคนนั่งสมาธิจนกระทั่งได้ฌานสมาบัติขั้นใดขั้นหนึ่งแต่ถ้าเป็นขั้นที่หนึ่งก็จะมีปีติมีสุขที่เกิดจากความวิเวกแตใจมันไม่ได้ไปคิดเรื่องบ้าบอเรื่องที่มันเป็นในทางอากุศลคิดมาแต่เรื่องดีๆเนี่ยพอใจของเราคิดมาในเรื่องดีๆแล้วสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลดลงไปจนถึงระดับหนึ่ง มันจะมีความอิม่มเอิบใจความสบายใจอันนี้คือปีติสุขที่เกิดจากการที่เราคิดเรื่องดีๆการคิดเรื่องที่เราจะไปทําบุญบ้างคิดเรื่องของพระพุทธเจ้าบ้างคิดเรื่องที่เรามีศีลบ้างคิดเรื่องที่เป็นไปในทางบุญทางกุศลต่างๆนี้คือมีปีติสุขที่เกิดจากวิเวกแน่นอนนี่เป็นลักษณะของความสงบระงับในระดับที่1เรียกว่าฌานที่1นึ่ทีนี้ถ้าบอกว่าเรามาจดจ่ออยู่เรื่องเดียวเช่นเรื่องของคําพุทธโต จะเรื่องของลมหายใจนะี่ยไม่ได้เอาใจไปในใส่เรื่องอื่นละความที่เราเอาใจมาใส่ในเรื่องเดียวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมาธิแลนะจิต ท, ที่ระงับลงไปมีอกุศลธรรมลดลงไปอกีกมีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยมันมีปีติมีสุขอย่างที่ว่าเนี่ยแต่เป็นปีติสุขชนิด ท, ที่ละเอียดลงไปอีกแตนะ่ที่เกิดจากสมาธิอันนี้คือขั้นที่2องแตนะ่ส่วนในขั้นที่3เราเอาอุเบกขาละนตะ่ไม่ได้คิดนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวแต่เฉพาะจดจงลงมาที่เรื่องอุเบกขา ลองฟังพิจารณาตามเลยจะเห็นว่าไอจุดที่จิตมันจะมาจดจ่อเลยมันก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงมีลักษณะที่จดจ่อลงจดจ่อลงถ้าเปรียบเหมือนกับแว่นขยายที่เขารวมแสงเนี่ยนะจุดรวมแสงเนี่ยก็จะค่อยเล็กลงเล็กลงความเข้มข้นของแสงพลังงานตรงนี้มันก็จะมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็ลักษณะของฌานสมาธิในขั้นที่3ที่ว่าเอาอุเบกขาอย่างเดียวแต่มีแต่สุขที่เกิดจากอุเบกขา ถ้ามีปีติมีอะไรฉันวางเฉยอย่างเดียวฉันไม่เอาตรงนั้นแต่มีความสุขใจมีความเย็นใจอยู่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้คือความสุขที่เกิดจากอุบเบกขาและในขั้นที่4นั้นความสุขนั้นก็ไม่เอาเอาอุเบกขาลว้วนๆที่จะวางเฉยไม่สุขไปตามไม่ทุกไปตามอันนี้คือฌานสมาธิในขั้นที่4ี่และจะมีความละเอียดลงละเอียดลงอย่างที่ว่านี้ทีนี้ถ้าบุคคลเนี่ยมีความลุ่มหลงไปตามมีความผูกพันมีความยินดี ในความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนก็แล้วแต่นะผูกพันอยู่ตรงนี้ยินดีอยู่ตรงนีอ้อันนี่คือเขาเรียกว่ายังลงละอันนี้เขาเรียกว่าแล่นไปตามละอันนี้เขาเรียกว่าผูกพันแล้วอันนี้เขาเรียกว่าตั้งสยบละอยู่ในภายในอันนี้คือไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับในภายนอกแล้วนะไม่ว่าตาหูจมูลิ้นกายภายนอกจะเป็นยังไงแต่ว่าใจนี่ใจมีธรรมารมที่เป็นแบบนี้แต่ประเด็นที่เราจะพูดถึงว่าฌานสมาธิเนี่ยเป็นธรรมารมไหม คำตอบก็คือใช่แน่ละ่ะแต่ว่าเป็นธรรมารมชนิดที่ว่าไม่ได้มาจากภายนอกไม่ได้มาจากตาหูจมูกลิ้นและกายแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองในภายในเพราะฉะนั้นในภายในตรงนี้ท่านพระมหากจรนะก็จึงอธิบายถึงเรื่องของฌานสมาธิในตรงธรรมารมตัวนี้จะไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในได้ก็คืออย่าไปยินดีในความสุขนั้นอย่าไปลุ่มหลงในความสุขนั้นอย่าไปผูกพันในความสุขนั้นใ น, นลหลายๆคนมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรต่างๆ เจอความสุขที่เกิดจากสมาธิแล้วเนี่ยก็โอ้ยิยนดีพอใจมากนะพอลุ่มหลงไปตามยินดีไปตามผูกพันในมันแล้วเนี่ยพอกลับบ้านไปเอาไม่ได้สมาธิอย่างที่วา่าใช่ไหมที่บ้านมันวุ่นวายมีเสียงเอื้อคึๆกๆโครมเอ่ยก็เลยมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นลนะนต่เพราะว่าตั้งสยบอยู่ในไปในตรงนี้เอาทําไมปฏิบปธรรมกลับมาแทนที่จะดีขึ้นกลับวีนมากขึ้นกลับจีจัดมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะตรงนี้ก็ได้ แต่ว่าต้องพิจารณาดูแหละว่าตัวเราเองมีความตั้งเสียบอยู่ในภายในไหมเราจะกําจัดเจ้าความตั้งเสียบอย MacBook ู่ในภายในได้ก็อย่าไปลุ่มหลงในมันอย่าไปผูกพันในมันอย่าไปผูกพันยินดีในความสุขนั้นจะทํายังไงจะทํำยังไงก็ต้องตั้งสติไว้ไงท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่เราตั้งสติขึ้นจนสมาธิมันเกิดมีแล้วเนี่ยถ้าสติกําลังมันอ่อนแต่ว่ามีสมาธิแหละสติกําลังอ่อนแต่ว่ามีสมาธิเนี่ยมันอาจจะผูกพันในสมาธินั้นได้ รุ่มลงในสมาธินั้นได้เพลินไปในสมาธินั้นได้แต่ทําไม่บางทีก็เหมือนกับเข้าพวังง่วงไปหลับไปเอีกทีหนึ่งมาไม่รู้สึกตัวมันหมดเวลาแล้วจบชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือแสดงถึงความที่สติยังมีกําลังอ่อนอยู่แต่ว่าได้สมาธิเหมือนกันนะทําให้บางทีตั้งสยบอยู่ในภายในได้เราจะไม่ให้ตั้งสยบอยู่ในภายในได้ก็ต้องตั้งสติขึ้นทําสติของเราให้มีกําลังเห็นตามที่เป็นจริง แต่เป็นไงนะคือการไคร้กรวนพิจารณาไคร้กรวนพิจารณาลักษณะที่เห็นว่าเอ้ยแม้แต่ปิติสุขจากวิเวปิติสุขจากสมาธิสุขจากอุเบกขาหรืออัตุกรรมสุขเหล่านี้ก็เป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวมันเองเอก เ, เ, เทศอแสดงว่ามันมีความเป็นอนัตตามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้อะไรที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้เราไม่ควรจะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้ในคำว่าฝังมีการไคร้ตลวนพิจารณาอย่างนี้นี่ แน่นอนตรงนี้เป็นวิปัสนาแน่นอนคนที่มีวิปัสนาเนี่ยสามารถปล e, ่อยวางสิ่งต่างๆได้แน่เขาจะไม่ได้วันไหวสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของขันห้าไม่ว่าจะมาในรูปแบบของสิ่งที่เป็นภายนอกหรือมาในรูปแบบของสิ่งที่เป็นภายในก็ตามขันห้าท่านผูฟังมีทั้งที่เป็นภายในและภายนอกรูปที่เป็นภายในเช่นในกายของเราผมคนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกพวกนี้น้ําเลือดน้ำหนองนี่เป็นภายในรูปที่เป็นภายนอก แล้วก็เช่นภูเขาต้องฟ้าต้นไม้ทะเลข่าวของคอมพิวเตอร์พวกนี้ในเป็นรูปที่เป็นภายนอกไม่ว่าจะภายในภายนอกรูปหรือภายในภายนอกเวทนาเช่นถ้าเราฟังดนตรีแล้วมีความสุขอันนี้เป็นเวทนาที่เกิดจากภายนอกในเป็นเวทนาที่ยังอิงอามิตรหรือว่ารวเรานั่งสมาธิแล้วมีความสุขอันนี้เป็นเวทนาที่เป็นนิรามิตรเวทนาที่จะเกิดจากภายในภายนอกยาบหรื อ, ร อ, รอละเอียดใกล้หรือไกลอดีตหรืออนาคต ในเวทานาทั้งหมดสัญญาทั้งหมดสังขารและวิญญาณทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่สะดุ้งหวั่นไหวไปตามการเปลีย่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเหล่านั้นของขันาห้าต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าขนาันห้านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปนในลักษณะไหนใดๆก็ตามเขาก็จะไม่สะดุง้งเอาทำไมเขาถึงไม่สะดุ้งได้เพราะไม่ยึดมัน่นถือมันนั่นเองเอาทำไมไม่ยึดมั่นถือมั่นได้มันเกิดตอนไหนก็เกิดตอนที่ใคร่ครวนพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงแล้วนั่นเองเมื่อเราใคร่ครวนพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงแล้วโดยบัง มันจะไม่มีความยึดถือมันจะวางได้ไอ้ความยึดถือที่เราวางได้แสะได้ลาได้เพราะว่าการเห็นตามที่เป็นจริงนั่นเองเห็นตามที่เป็นจริงในความเป็นของไม่เที่ยงของสิ่งที่เป็นเวท น, ในาใ น, น, ททาาาานาภายนาน ใ, ในเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เป็นผัสสะต่างๆที่มากระทบจากอายตนะภายนอกมากระทบอายตนะภายในเห็นความไม่เที่ยงพิจรารณาไคร่กรวนอย่างนี้นะก็ต้องอาศัยขั้นตอนในคำว่างนะ เราจะเห็นความไม่เที่ยงได้คุณก็จะต้องมีสมาธิจะมีสมาธิได้คุณก็ต้องมีสติจะมีสติได้คุณจะต้องปฏิบัติข้อปฏิบัติต่ตตางๆเช่นรักษาศีลให้ดีเป็นผู้ที่รูปประมาณในการบริโภคเป็นผู้ที่สมรมินทรีย์ประกอบอยู่ในทํามันเป็นเครื่องตือนรู้จักฝึกสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่รับประทานอาหารแต่พอดีเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายเป็นผู้ที่สันโดษในบริการแห่งชีวิต ถ้าเรามีข้อปฏิบัติเหล่านี้สติเราจะตั้งขึ้นได้สติตั้งขึ้นแล้วสมาธิมันก็จะมีแต่ก็ว่าสติตั้งขึ้นได้นี่ก็จะไม่ฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกละพอมีสมาธิแล้วจะทํายังไงไม่ให้ตั้งเสืบอยู่ในภายในก็จะต้องตั้งสติไว้เหมือนกันละแล้วก็เห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงในที่นี้ก็คือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือความเป็นตู้โดยความเป็นอนัตตาแล้วเมื่อเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะมีความนาย มีความหนาแล้วจะมีความคลายกำหนัดมีความคลายกำหนัดตรงนี้แหละทั้งบวชที่ใบความยึดมั่นตีมั่นเนี่ยมันจะหลุดออกไปได้พอมีความยึดมั่นตอมั่นหลุดออกไปแล้วก็จะ ป, ปล่อยวางการปล่อยวางตัวนี้คือปล่อยวางกันห้านั่นเองพอปล่อยวางกันห้าได้แล้วก็จะไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการตั้งหานั้นเมื่อเราไม่สะดุ้งสะเทือนวันไว้ไปตามการเปลี่ยนแปลงของกันตั้งห้าที่เกิดขึ้นความทุกข <t> ์อะไรต่างๆมันดับไปตันทีทัง้งบวช ดับไปตั้งแต่ตรงที่เราปล่อยวางได้นั่นแหละปล่อยวางขันห้าได้ก็คือปล่อยวางความทุกข์ได้ น, นั่นเองปล่อยวางความทุกข์ได้ไม่เอาความทุกข์มาใส่หัวเราเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ทํากล่องทุกข์ให้สิ้นได้เป็นผู้ที่จะไม่มีการเกิดการแก่และการตายอีกต่อไปพูด ง, ง่ายๆเลยทัมมฟังแม่จิตที่เป็นแบบนี้มันสุดยอดจริงๆแค่คําพูดสั้นๆนะสองสามประโยคตรงนี้ถึงพระอาารรณาเลยทัมมุฟังนะเราพิจารณาไครครวนตรงเนี้ เป็นคําที่สั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งมากเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สั้นๆผู้ไปสั้นๆแค่นี้แต่ท่านพระมหากัจานะมีความละเอียดลึกซึ้งแยบคายแหลมคมอธิบายโดยในยะต่างๆตามที่พระพุทธเจา้าท่านได้บอกไว้เปิดไว้เป็นแม่บทแลนะพิสุทธั้งหลายเมื่อทราบความนี้แล้วรู้เข้าใจดีแล้วนะไปถามพระพุทธเจ้าซ้ําตามที่ท่านพระมหากัจจานะ นะท่านเป็นลีลายอย่างนี้แหละก็ได้คําตอบว่าอย่างเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าจะตอบคําถามในคําถามที่เหล่าภิกษุนั้นไปถามท่านพระมหาคจานะก็จะตอบอย่างนี้เหมือนกันแตนะ่เรามาดูเรื่องราวต่างๆตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็มีทั้งผู้ทานนุสตนะิที่เขาเห็นพระพุทธเจ้ามีทั้งสังขานุสติที่เขาเห็นท่านพระมหาคจานะมีทั้งธรรมานุสตนะิที่มีการอธิบายขยายความธรรมะ ที่เชิญบุคคลเข้ามาพิสูจน์มีความถูกต้องตรงจริงตลอดการในพระสูตรนี้ก็จบที่ตรงนี้ทั้งบูฟังอุเทสวิพังคสูตรอันนี้มาในมัชชิมานิกายเป็นพระสูตรที่138เล่มที่14ข้อที่638้อแปดรับไปอันตัวแม่บทจริงๆเนี่ยก็จะมีความเข้าใจที่ดีนะข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทั้งบูฟังจะไปติดตามศึกษาเพิ่มเติมดูทั้งบาลีทั้งไทยทั้งภาษาอื่นๆ ข้อมูลต่างๆนี้ก็หาได้ไม่ยากสมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตกดเข้าไปกึกๆแกนะก็ข้อมูลออกมาปื๊บปบเราอ่านศึกษาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็สามารถที่จะปฏิบัติให้ถึงความสิ้นถุกโดยชอบได้วันนี้เวลาหมดแลลาท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมาหาไพบูญนาภีปุณโณจากวัดปา ด, ดอนหายโซกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุเล่นปอน